ไม่เชื่อแค่ไหนถือว่าดือ้อถามเป็นคนไม่เชื่อเรื่องดวงไม่เชื่อเรื่องมีอะไรกำหนดชะตาชีวิตเราแม้แต่กรรมเก่าถ้าจะศรัทธาก็ศรัทธาที่ชีวิตนี้เราสามารถเลือกกำหนดเองได้อย่างนี้ถือว่าเป็นความดือ้อหรือผิดแนวทางพุทธมัย ตอบความไม่เชื่อไม่ใช่ความดือ้อแต่ละคนมีเหตุผลที่จะไม่เชื่อตราบใดที่คุณมีเหตุผลที่ชัดเจนตราบนั้นคุณไม่ได้เสียศักยภาพของความเป็นมนุษย์ไปแม้นักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดมากๆเขาก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนความเชื่อว่าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีกรรมวิบาก มีแต่ระเบียบอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่บังเอิญอยู่เบื้องหลังกำเนิดของสรรพสิ่งอย่างเช่นรหัสของดี a ที่เริ่มเปิดเผยให้เห็น่าแท้ของธรรมชาติมากขึ้นว่ามีความสลับซับซ้อนและเป็นระเบียบจัดเป็นหมวดหมู่ชัดเจนจนเกินกว่าจะกล่าวหาว่ามันเป็นแค่ฝีมือของความบังเอิญเสียดาย พอเขาไปถึงจุดของความรับรู้ที่ว่าไม่บังเอิญจริงๆก็อธิบายต่อไม่ถูกว่าเบื้องหลังความไม่บังเอิญนั้นคืออะไรใครเป็นคนกำหนดให้เกิดความซับซ้อนลึกซึ้งตา น, นั้นอันนี้ก็สุดแท้แต่ใครจะมีความเชื่อหรือจินตนาการต่อยอดไปทางไหนนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์อาจบอกว่าเราอยู่ในโลกคอมพิวเตอร์ที่สร้างภาพ และความรู้สึกลวงใจโดยสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึง่งศาสนาเทวนิยมอาจบอกว่าทั้งหมดที่เราเห็นมีพระผู้เป็นใหญ่สร้างสรรค์ส่วนศาสนาพุทธก็จะเชื่อตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมดเรื่องความดื้อแล้ว คราวนี้มาพูดเรื่องความจริงสิ่งที่เป็นความจริงไม่ได้มีแค่ชะตาชีวิตนะครับคุณลองเข้าไปนั่งในร้านอาหารกว้างๆสักร้านหนึ่งที่มีหญิงชายเด็กผู้ใหญ่คนหน้าตาดีธรรมดาและขี้เรที่คละกันอยู่หลากหลายถ้าไม่คิดอะไรมากแต่ละคนรวมทั้งตัวคุณเองก็วุ่นวายกับธุระเรื่องการกิน กินเสร็จก็ลุกจากที่นั่งสะบัดก้นออกจากร้านไปตามทางของแต่ละคนแต่หากมองอย่างพินิจซักเล็กน้อยคุณจะเห็นความจริงขั้นพื้นฐานมากมายปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาคุณจะเห็นตามจริงว่าทุกคนกำลังมีชีวิตคุณสามารถรู้ล่วงหน้าได้จากความรู้ความเข้าใจว่าทุกคนในที่นั้นจะต้องตาย ภายในไม่กี่สิบปีข้างหน้าจะไม่เหลือเจ้าของใบหน้าเจ้าของตัวตนชายหญิงเด็กผู้ใหญ่ในร้านหลงค้ำฟ้าอยู่อีกเลยนอกจากความจริงเรื่องมีชีวิตและจบชีวิตกว่าตาดูดีๆส่องไปทีละคนคุณจะเห็นความแตกต่างทั้งสัสดส่วนรูปร่างหน้าตา ทั้งความสดชื่นในความมีชีวิตทั้งสง่าราศีและเสื้อผ้าที่บ่งบอกฐานะได้คร่าวๆออกเป็นยากดีมีจนที่การเห็นความหลากหลายอย่างแท้จริงคุณจะสัมผัสรู้สึกถึงเบื้องหลังความแตกต่างสังหรณ์แบบมนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนความแตกต่างที่ปรากฏอยู่ทนโทษ หาใช่วิธีทรมาหากินหาใช่ความผิดความถูกของพ่อแม่แม้สังหอนแรกสุดจะบอกคุณอยู่รางๆว่ามีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุแต่หากคุณถูกปลูกฝังหรือโน้มน้าวให้คิดว่ามีผู้กำหนดความแตกต่างด้วยความลำเอียงหรือคุณคิดซ้ำๆย้ำๆเอาว่าความแตกต่างเหล่านั้น เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญสังหอนรกของคุณก็จะค่อยๆถูกกลบแล้วลบเลือนไปจากใจกลายเป็นแค่ความชาชินเห็นอยู่กับตาได้ยินอยู่กับหูแต่กลับไม่ยินยนไม่สนใจใครหาคำตอบหรือแม้เชื่อแบบครึ่งๆกลางๆก็จะโทษส่งๆว่าเพราะบุญเก่าทำให้สวยหล่อบ้างเพราะบาปเก่าทาให้ขี้เหร่บ้าง แต่ให้เจาะจงลงไปว่าบุญคืออย่างไรบาปคือท่าไหนเกือบร้อยทั้งร้อยของชาวพุทธจะตอบไม่ถูกทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านเปิดเผยไว้หมดแล้วและยังหาอ่านได้จากพระไตรปิฎกอยู่จนถึงทุกวันนี้ด้วยในตาคุณสามารถเห็นความจริงทางตาได้แต่ด้วยใจที่เอาจริงเท่านั้น คุณถึงจะสามารถเห็นความจริงที่ในตามองไม่เห็นหากคุณเป็นพุทธและมีศรัทธาที่จะรักษาศีลเพื่อความไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กระทําตนเองให้เดือดร้อนคุณพิจารณาโดยแยบคายแล้วเชื่อว่าศีลเป็นของดีนั่นก็เรียกว่าคุณเป็นชาวพุทธที่ดีแล้ว และหากคุณต่อยอดความดีขึ้นไปอีกด้วยการทำความเข้าใจว่าทุกทางใจมีจริงสาเหตุของความทุกทางใจมีอยู่และคุณสามารถดับทุกทางใจได้โดยมีวิธีดับทุกทางใจอย่างชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนนั่นคุณก็ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนกชนชั้นยอดรักที่จะเชื่อรักที่จะพิสูจน ลักที่จะเอาประโยชน์สูงสุดจากพุทธศาสนาในปัจจุบันทันตาสรุปคือจัดว่าคุณได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนตัวอย่างเลยทีเดียวล้วครับเรื่องภพชาติเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกรรมวิบากต่างๆนั้นยกไว้ก่อนได้เอาไว้ค่อยๆศึกษาทำความเข้าใจตลอดจนมีความรู้แจ้งเห็นจริงชนิดประจักษ์ด้วยตนเองในภายหลังก็ได้ ด้วยวิถีทางอย่างเป็นขั้นเป็นตอนของพุทธคุณจะหยุดหลงหยุดด่วนหาคําตอบอย่างสิ้นหวังเสียได้และคุณจะไม่ได้ชื่อว่าดื้อหรืองมงายด้วยเนื่องจากทุกขั้นทุกตอนการปฏิบัติตามลำดับของพุทธนั้นมีเหตุผลรองรับอยู่เสมอนับแต่ความจริงที่คล้อยตามได้ด้วยตาเปล่าและใจคิดธรรมดาธรรมดา ไปจนกระทั่งถึงความจริงที่มีแต่ใจอันเที่ยงตรงเท่านั้นจึงประจักษ์ได้อย่างท่องแท้เหมือนมือที่เอื้อมออกไปสัมผัสความว่างเปล่าของอากาศก็ย่อมเชื่ออย่างไม่กลับคืนอีกว่าความว่างเปล่าของอากาศมีจริงแท้แน่นอนสรุปคือคุณไม่ได้เป็นขบฏต่อพระพุทธศาสนาเพียงเพราะไม่เชื่อนรกสวรรค์ และคุณมีสิทธิ์จะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีได้ถ้าใส่ใจจะทำตัวเองและโลกรอบตัวให้ดีขึ้นครับ